พระไต้ปิดกเล่มที่สิบห้าเทวตาสั่งยุ์วักที่สี่สตุลละปากายิกาวักหมวดว่าด้วยพวกเทวดาสตุลละปากายิกาสัพพิสูตรว่าด้วยสัตว์บุรุษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาปินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลปกาญิกาคือเทวดาผู้เทิดทูนธรรมะของสัตบุรุษเทวดาเหล่านั้นจำนวนมากมีวันนะงดงามยิ่งนักแปลงรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยือนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยือนอยู่หน้าที่สมควรแล้ว ได้กล่าวกถ า, านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัตรธรรมในที่นี้หมายถึงศีลห้าของพวกสัตบุรุษแล้วยอมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกตำ่ำลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวกถ า, านี้ว่า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 บุคคลรู้แจ้งสัตยธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในทถ้ำกลางคนผู้เศร้าโศกอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าย่อมรุ่งเรืองในทถ้ำกลางแห่งญาติอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าสัตว์ทัง้งหลายย่อมไปสู่สุขติอีกองค์หนึ่งกล่าวว่ า, า ย, ยอ่ อ, อ, าววายอมดำรงอยู่ได้ตลอดไป ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพ ร, ระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์บุรุษเท่านั้น ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งัรธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถานี้แล้วเทวดาเหล่านั้นมีใจยินดีถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณนะที่นั้นนั่นเองมัชริสูตร ว่าด้วยกลตรณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อปฐมมยามผ่านไปพวกเทวดาสตุลลปกายิกาจํานวนมากมีวันณะงดงามยิ่งนักแหล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวกถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเพราะความตรนีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งกล่าวว่า คนตรนีกลัวสิ่งใดแล้วไม่ให้ทานสิ่งนั้นนั่นเองเป็นภัยแก่เขาผู้ไม่ให้ความหิวและกระหายที่คนตรนีกลัวยอมถูกต้องเขานั่นเองซึ่งเป็นคนเขา่าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นบุคคลควรกำจัดความตระนีกรอบงามมนตินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ลำดับนั้นเทวดาอีกองหนึ่งเด็กล่าวขถาเหล่านี้ว่าคนเหล่าใดเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้เหมือนคนเดินทางไกลแบ่งของให้เพื่อนร่วมทางเมื่อคนเหล่าอื่นตายคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ตายธรรมะนี้เป็นธรรมะเก่าแก่คนพวกหนึ่งเมื่อมีของน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมาก กลับแบ่งให้ไม่ได้ทักษิณาที่ให้จักของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นเทวดาอีกองหนึ่งได้กล่าวกถานี้ว่าพวกคนพาลเมื่อจะให้ทานก็ให้ยากเมื่อจะทำงานก็ทำยากพวกสัตว์บุรุษย่อมไม่ทำตามธรรมะของสัตว์บุรุษเพราะธรรมะของสัตว์บุรุษดำเนินตามได้แสนยาก ฉะนั้นการไปจากโลกนี้ของพวกสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษจึงแตกต่างกันพวกอสัตว์บุรุษพากันลงนรกส่วนพวกสัตว์บุรุษพากันขึ้นสวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่า คำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างแม้บุคคลใดประพฤตตนให้ยุ่งยากเลี้ยงดูปัญญาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤตธรรมเมื่อบุรุษหนึ่งแสนคนบูชาภิกษุหนึ่งพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้น จึงมีค่าไม่เท่าเซี่ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า<อ>เพราะเหตุอะไรการบูชาอันใหญ่หลวงนี้จึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่บุคคลให้ด้วยความเหมาะสมเมื่อบุรุษหนึ่งแสนคนบูชาภิกษุหนึ่พรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเซี่ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างไร ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเทวดานั้นด้วยคาถาว่าบุคคลพวกหนึ่งดำรงอยู่ในความไม่เหมาะสมทำร้ายเขาฆ่าเขาหรือทำให้เขาเศร้าโศกแล้วจึงให้ทานทักษิณานั้นจัดเป็นทักษิณาอันมีหน้านองด้วยน้ำตาเป็นไปกับด้วยอาชญาจึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความเหมาะสม เมื่อบุรุษหนึ่งแสนคนบูชาภิกษุหนึ่งพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี่ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างนี้สาธุสูตรว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อปฐมยามผ่านไป พวกเทวดาสตุลปกาญิกาจำนวนมากได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเทวดาองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงเพราะความตรหณีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้ บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปลงอุทานนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงอันหนึ่งแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้คนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้ ทักสินนาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งเปล่งอุทานว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้นักปราดทั้งหลายกล่าวว่า ทานกับการรบเสมอกันพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยก็เอาชนะคนขี้ขลาดที่มากกว่าได้ถ้าบุคคลมีศรัทธาย่อมให้สิ่งของแม้มีน้อยได้เพราะเหตุนั้นทายกคือผู้ให้นี้จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้นิรุก์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้แก่บุคคลผู้ได้ธรรมะคืออริยบุคคลผู้บรรลุธรรมก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดให้ทานแก่บุคคลผู้ได้ธรรมะแล้ว ผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้วบุคคลนั้นข้ามพ้นนรกแห่งยมราชได้แล้วเข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้แปล่งอุทานนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้นิรุกขภทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ธรรมะแล้วก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึง่งแม้ทานที่บุคคลเลือกให้ก็เป็นทานให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่บุคคลเลือกให้ประสุคตส่งสันเสริญแล้วบุคคลเหล่าใดควรแก่ทักษินามีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์นี้ ทานทั้งหลายที่บุคคลเลือกให้แล้วในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากเหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหว่านลงในนาชั้นดีฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองหนึ่งได้แปลงอุทานี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้นิรุทุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ ทานที่ให้แม้ด้วยศรัท ธ, ธาก็ยังประโยชน์ให้สมร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ธรรมะแล้วก็ยิ่งเป็นการดีทานที่บุคคลเลือกให้ก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งความสำรวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ทาบาเพราะคำติเตียนจากผู้อื่นบัณดิตทั้งหลายย่อมสรเสริญบุคคลนั้น ซึ่งเป็นคนกลัวบาปแต่ไม่สันเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปนั้นสัตว์บุรุษทั้งหลายยอมไม่ทำบาปเพราะกลัวบาปอย่างแท้จริงลำดับนั้นเทวดาอีกองคหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าคำของใครเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำพูดของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อม แต่ขอพวกท่านจงฟังคําของเราบ้างความจริงทานที่ให้ด้วยศรัทธาบันฑดตสันเสริญมากแต่บทแห่งธรรมะคือนิพพานประเสริฐกว่าทานเพราะว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาในการก่อนก็ดีในการก่อนโน้นก็ดีได้บรรลุนิพพานนั่นเอง นัสสันติสูตรว่าด้วยความไม่มีเหตุการณ์เกิดที่กรุงสาวัตถีพวกเทวดาสตุลปกายิกาจจำนวนมากเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าในหมู่มนุษย์กามที่น่าใกรซึ่งคนเกาะเกี่ยวมัวเมาอยู่ จนไม่บรรลุนิพพานอันเป็นเหตุไม่หวนกลับมาสู่แดนมัจจุอีกกามนั้นจะชื่อว่าเที่ยงแทหามไม่มความลาบากเกิดจากฉันทะทุกเกิดจากฉันทะเพราะกำจัดฉันทะได้จึงกำจัดความลาบากได้เพราะกำจัดความลาบากได้จึงกำจัดทุกได้อารมณ์อันงามทั้งหลายในโลกยังไม่จัดเป็นกาม ความกำหนัดที่เกิดจากความดำริเป็นกามของบุรุษอารมณ์อันงามทั้งหลายมีอยู่ในโลกอย่างนั้นเองฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงกําจัดฉันทาบในอารมณ์เหล่านั้นบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมจจัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์มีสิบอย่าง คือสกยาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมในกฎแห่งกรรมศิลป ะ, ะปรามาสความถือมั่นสิลและรสการติดลัทธิพิธีเชื่อถือโชคลางกามราคะความติดใจในกามปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจหรือพยาบาทความคิดปองร้ายรูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอรูปราคะความติดใจในอรูปธรรมมานะความถือตัวอุทจักความฟุงรร้งซ่านอวิชชาความไม่รู้จริงจากนั้นเทวดาได้กล่าวต่อว่าความทุกข์ย่อมไม่รุมเร้าคนนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ภิกษุละบัญญัติแล้วไม่เข้าถึงวิมานตัดตันหาในนามรูปนี้ได้แล้วเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีในสวรรค์ก็ดีในสถานที่อันเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ดีพากันเที่ยวค้นหาก็ไม่พบภิกษุนั้นผู้ตัดเครื่องผูกขาดแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีตันหา ท่าพระโมคคาราตุลถามว่าหากเทวดาและมนุษย์เหล่าใดในโลกนี้หรือในโลกอื่นไม่ได้เห็นภิกษุนั้นผู้อุดมกว่านรชนผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ น, อนอรชนผู้หลุดพ้นอย่างนั้นนอบน้อมภิกษุนั้นอยู่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นบัณฑิตควรสรรเสริญหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบท่านพระโมคคราชว่า เทวดาและมนุษย์แม้เหล่าใดนั้นบัณฑิตควรสรนเสริญเทวดาและมนุษย์เหล่าใดนอบน้อมภิกษุผู้หลุดพ้นอย่างนั้นเทวดาและมนุษย์แม้เหล่านั้นรู้ธรรมะแล้วละวิจิกิจฉ้าได้เป็นผู้ข้ามพ้นธรรมะเป็นเครื่องค้องได้อุชานะสัญญิสูตร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 ได้ยืนอยู่ในอากาศเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลใดตนเป็นอย่างหนึ่งกลับประกาศให้เขารู้อีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นชื่อว่าหลวงเขาบริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนพราญนกหลวงจับนกฉะนั้นความจริงบุคคลทํากรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทํากรรมใด ก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้จักบุคคลผู้ไม่ทาดีแต่พูดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าใครๆไม่อาจดำเนินปฏิปทานี้ด้วยเหตุสักว่าพูดหรือฟังอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิษย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมานด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้ ผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดักกิเลสได้แล้วข้ามพลตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้ครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นลงมายืนอยู่บนพื้นดินหมอบลงแทพระยุคนละบาดของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล้าวแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาพวกข้าพระองค์ได้สำคัญผิดว่าพระผู้มีพระภาคอันพวกเราพึงรุกรานขอพระผู้มีพระภาคโปรดอภัยโทษแก่พวกข้าพระองค์เพื่อสํารวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงย้ำพระโอษฐ์ครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นผู้เพ่งโทษโดยประมาณยิ่งกลับขึ้นไปบนอากาศ เทวดาองค์หนึ่งเด็กล่าวคถานี้ว่าเมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มีละเวรทั้งหลายไม่สงบบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรใครบ้างไม่มีโทษ ใครบ้างไม่มีความผิดใครบ้างไม่ถึงความหลงไหลในโลกนี้ใครเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้แล้วผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงไม่มีโทษไม่มีความผิดพระตถาคตพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหล รัตถาคตรพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้อย่างมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเกืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวร น, นั้นจึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลาย ศรัทธาสูตรว่าด้วยศรัทธาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพวกเทวดาสตุลปกายิกาจจำนวนมากเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษหากว่าความไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่เพราะฉะนั้นยศและเกียรติย่อมมีแก่เขา อันหนึ่งผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวกถานี่ว่าบุคคลควรละความโกรธสละมานะความถือตัวก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างเพราะว่ากิเลสเป็นเครื่องคล้องย่อมไม่รุมราวบุคคลนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในน้มรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล พระผู้มีพระภาตรัสว่าคนผ่านมีปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทและอย่าประกอบความเฉยชมยินดีในกามเลยเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ยอมได้รับความสุขอย่างยิ่ง ในที่นี้หมายถึงนิพพานสมัยสูตรว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัฒน์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงมูใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่ง พวกเทวดาจากโลกธทตาทั้งสิบประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นเทวดาสีองค์ที่เกิดในหมู่พรมชั้นสุดอาวาสได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพั์แควนสักกัดพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ประมาณหรอรูปล้วนเป็นพระอรหันต อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเป้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทางที่ดีแม้เราทั้งหลายควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาเฉพาะต้นในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นหายตัวจากหมู่พรหมชั้นสุทาวาสมาปรากฏอยู่เฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาท แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ได้มีแล้วในป่าใหญ่พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้วพวกข้าพระองค์พากันมาสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้เพื่อจะเยี่ยมเยียนหมู่ภิกษุผู้ที่ไกลไกลให้พ่ายแพ้ไม่ได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่า ในที่ประชุมนั้นภิกษุทั้งหลายตั้งจิตไว้มั่นทำจิตตนเองให้ตรงภิกษุเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหมือนในสารถีถือบางเหียนมา้าบังคับให้วิ่งไปตามทางฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองคหนึ่งได้กล่าวคถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตรึงจิตได้แล้ว ตัดกิเลสดุดลิ่มสลักได้แล้วและถอนกิเลสดุดเสาเขื่อนได้แล้วจึงไม่หวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมนทินมีจักูุปึกผนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐประพฤติ ธ, ธรรมอยู่ลำดับนั้นเทวาดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคถานี้ว่าบุคคลทั้งหลายพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ จกไม่ไปสู่อบายภูมิละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจะบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ส ก, กะลิกสูตรว่าด้วยสกเก็ตหินสมัยหนึ่งราผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมัทกุจิเกตกรุงราชคฤห์สมัยนั้น สเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังคติสี่ชั้นทรงสําเร็จสีห์สายยาคือการนอนดุจราชสี มีพระสติสัมปัตชัญญะรั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลปากายิกาประมาณเจ็ร้อยองมีวันนางดงามยิ่งนักแปลงรัสมีให้สว่างทั่วมัทกุจิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งได้แปลงอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระสมณโคโดมเป็นบุรุษดุจนาค ก, ก็จริงนาคในที่นี้หมายถึงช้างมหานาค ก, ก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระไทยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุจนาคไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่งได้เปล่งอุทานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษดุจราชสีก็จริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุจราชสีไม่ทรงเดือดร้อน ลำดับนั้นเทวดาอีกองหนึ่งได้แปลงอุทานนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษอาชาในจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปัชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่ล้าแข็งอย่างหนักไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษอาชาในไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้น เทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอ yes ุทานโดยนัยยะเดียวกันว่าส่งเป็นบูรุษผู้องค์อาจไม่ส่งเดือดร้อนเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานโดยนัยยะเดียวกันว่าเพราะความที่พระองค์เป็นบูรุษผู้ฝ่ธุระไม่ส่งเดือดร้อนเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานโดยนัยยะเดียวกันว่าเพราะความที่พระองค์เป็นบูรุษผู้ฝึกแล้วไม่ส่งเดือดร้อน ลำดับนั้นเทวดาอีกองคหนึ่งได้แปลงอุทานนี้ว่าท่านจงดูสมาธิในที่นี้คืออรหันต์ตาพละสมาธิที่พระสมณโคโดมทรงเจริญดีแล้วจงดูจิตที่พระสมณโคโดมทรงให้หลุดพ้นดีแล้วจิตที่เป็นไปตามราคะพระสมณโคโดมก็ไม่ให้น้อมไปถึงแล้วจิตที่เป็นไปตามโทสะ พระสมณโคดมก็ไม่ให้หวนกลับมาแล้วและจิตของพระสมณโคดมไม่ต้องตั้งใจคมและคอยห้ามปรามบุคคลใดพึงสําคัญพระสมณโคดมเป็นบุรุษดุดนาคเป็นบุรุษดุดราชสีเป็นบุรุษอาชาในาเป็นบุรุษผู้องอาจเป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระและเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วเห็นป่านนี้ว่า เป็นผู้ที่ตนจะล่วงเกินได้บุคคลนั้นจะเป็นอะไรเล่านอกเสียจากผู้ไม่มีทัศนะในที่นี้หมายถึงผู้ไม่มีความรู้เทวดานั้นรั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าพรามทั้งหลายผู้ทรงเวททั้งห้าข้อนี้คือความรู้ของนักบวชนอกศาสนา พรามทั้งหลายผู้ทรงเวททั้งห้ามีตะบะประพฤติ ธ, ธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งร้อยปีแต่จิตของพรามเหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นโดยชอบเพราะพรามเหล่านั้นมีสภาพจิตต่ำจึงไม่ถึงจุดจบแห่งความตายคือนิพพานพรามเหล่านั้นถูกตันหาครอบงำแล้วเกี่ยวข้องด้วยศีรลรสประพฤติตบะอันเศร้าหมองอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปี แต่จิตของพราหม์เหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นแล้วโดยชอบเพราะพราหมณ์เหล่านั้นมีสภาพจิตตามจึงไม่ถึงจุดจบบุคคลผู้มีมานะย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายคือไม่ถึงนิพพานบุคคล ละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมะทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้ปัรถมะปัจจุนนาทีตุสูตรว่าด้วยทิดาของเท้าปัจจุนนะสูต ร, ตรที่หนึ่ง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธิดาของเท้าปัจจุนณนะชื่อโกกณทามีวันนักงดงามยิ่งนักเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าหม่อมฉันชื่อโกกณทา เป็นธิดาของเท้าปัจจุนนะขอถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงผู้เสด็จอยู่ในปา่าใกล้กรุงเวสาลีหม่อมชั้นได้ฟังสุนทรพจน์ในการก่อนว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุตรัสรู้แล้วโดยลำดับบัดนี้เมื่อพระสุคตผู้เป็นมุนีทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมชั้นจึงรู้ชัด ชนเหล่าใดมีปัญญาสามเที่ยวติดเตียนธรรมะอันประเสริฐชนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกชื่อโรรุวาอันทารุณเสวยทุก์ตลอดกาลนานชนเหล่าใดมีความอดทนและมีความสงบเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐชนเหล่านั้นละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจากบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ ทุติยปัจจุณทิตุสูตรว่าด้วยธิดาของท้าปัจจุณฑ์สูตรที่สองเหตุการณ์ที่กรุงเวสาลีธิดาของท้าปัจจุณฑ์ชื่อจุลโกกันนาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าธิดาของท้าปัจจุณฑ์ชื่อโกกันนามีวันณะสว่างดุดสายฟ้ามาแล้วในที่นี้ นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระธรรมได้กล่าวคาถาเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์หม่อมชั้นพึงจำแนกธรรมะนั้นโดยปริยายแม้มากธรรมะเช่นนี้มีอยู่โดยปริยายธรรมะมีประมาณเท่าใดที่หม่อมฉั้นศึกษาแล้วด้วยใจหม่อมชั้นจะกล่าวอัตถะแห่งธรรมะประมาณเท่านั้นโดยยอ่อ บุคคลไม่ควรทำกรรมชั่วอะไรอะไรทางกายทางวาจาหรือทางใจในโลกทั้งปวงบุคคลมีสติสัมปชัญญะละกามทั้งหลายได้แล้วไม่พึงประสบทุกข์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จบเทวตาสังยุตวรกที่สีสตุลปากายิกวา